สแสดงหมวดสแห่งยาณความรู้ที่สี่ก้อยสิบหหน้าสองเจ็สิบอ็ดบุคคลย่อมสำเหนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าย่อมสำเหนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออกอย่างไรคําว่าไม่เที่ยงความว่าอะไรไม่เที่ยงเบญจขันไม่เที่ยง ไม่เที่ยงเพราะอัดว่าอะไรไม่เที่ยงเพราะอัดว่าเกิดขึ้นและเสื่อมไปบุคคลเมื่อเห็นความเกิดขึ้นแห่งเบญจขันย่อมเห็นลักษณะเท่าไร่เมื่อเห็นความเสื่อมไปแห่งเบญจขันย่อมเห็นลักษณะเท่าไรเมื่อเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งเบญจขันย่อมเห็นลักษณะเท่าไร่บุคคลเมื่อเห็นความเกิดขึ้นแห่งเบญจขันย่อมเห็นลักษณะยี่สิบห้า เมื่อเห็นความเสื่อมไปแห่งเบญจขันย่อมเห็นลักษณะยี่สิบห้าเมื่อเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งเบญจขันย่อมเห็นลนนักษณะห้าสิบนี้ย่อมศึกษาว่าเราจักพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในรูปหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าเราจักพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในรูปหายใจออกย่อมศึกษาว่า เราจาักพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณในจักขุในชลาและมรณะหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าเราจักพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในฉลาและมรณะหายใจออก ทำทั้งหลายด้วยสามารถเป็นผู้พิจารณาความไม่เที่ยงหายใจเข้าหายใจออกปรากฏสติเป็นอนุปัสนายานทมปรากฏไม่ใช่สติสติปรากฏด้วยเป็นตัวระลึกด้วยบุคคลพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นด้วยสตินั้นด้วยยานนั้นดังนี้เพราะเห็นนั้นท่านจึงกล่าวว่าสติปัฏฐานภาวนา คือการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคำว่าพิจารณาความว่าพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นอย่างไรพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นอย่างนี้คำว่าภาวนาได้แก่ภาวนาสชื่อว่าภาวนาด้วยอดว่าเป็นที่ซ่องเสพชื่อว่าศิลวิสุธิด้วยอดว่า เป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงสารวมลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อรู้ความนิจิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถความเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจเข้าหายใจออกบุคคลเมื่อรู้ย่อมอย่างอินทรีย์ทั้งหลายให้ประชุมลงพระเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าและแทงตลอดทำอันเป็นประโยชน์คือความสงบ ข้อสีหน้า272บุคคลย่อมจำเนียกว่าเราจากพิจารณาเห็นความคลายกําหนัดหายใจเข้าย่อมจำเนียกว่าเราจากพิจารณาเห็นความคลายกําหนัดหายใจออกอย่างไรคือบุคคลเห็นโทษในรูปแล้วเป็นผู้เกิดฉันทะในความคลายกําหนัดในรูปน้อมใจไปด้วยศรัทธา ไละเมจิตตั้งมั่นดีย่อมศึกษาว่าเราจะพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดในรูปหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าเราจะพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดในรูปหายใจออกบุคคลเห็นโทษในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณในจักสุ ในชรลาและมรณะแล้วเป็นผู้เกิดฉันทะในความคลายกําหนัดในชราและมรณะน้อมใจไปด้วยศรัทธาและมีจิตตั้งมั่นดีย่อมศึกษาว่าเราจับพิจารณาเห็นความคลายกําหนัดในชราและมรณะหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าเราจับพิจารณาเห็นความคลายกําหนัดในชราและมรณะหายใจออกตามทั้งหลายด้วยสามารถ เป็นผู้พิจารณาเห็นความคลายกำหนัดหายใจเข้าหายใจออกปรากฏสติเป็นอนุปัชนายานทำปรากฏไม่ใช่สติสติปรากฏด้วยเป็นตัวระลึกด้วยบุคคลพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นด้วยสตินั้นด้วยยาน น, นั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าสติปัฏฐานภาวนาคือการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย คำว่าพิจารณาความว่าพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นอย่างไรพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นอย่างนี้คำว่าภาวนาได้แก่ภาวนาสีส่ชื่อว่าภาวนาด้วยอาจว่าเป็นที่ซ่องเสพชื่อว่าศีลวิสุทธิด้วยอาจว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นความคลายกําหนัด สำรวมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อรู้ความที่เจ็ตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถเป็นผู้พิจารณาเห็นความคลายกำหนัดหายใจเข้าหายใจออกบุคคลเมื่อรู้ย่อมอย่างอินทรีย์ทั้งหลายให้ประชุมลงเพราะเหตุ น, นั้นท่านจึงกล่าวว่าและแทงตลอดทำอันเป็นประโยชน์คือความสงบ ข้อสี่หน้า273บุคคลย่อมสำเหนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นความดับหายใจเข้าย่อมสำเหนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นความดับหายใจออกอย่างไรคือบุคคลเห็นโทษในรูปแล้วเป็นผู้เกิดจันทะในความดับในรูปน้อมใจไปด้วยศรัทธาและมีจิตตั้งมั่นดีย่อมศึกษาว่า เราจักพิจารณาเห็นความดับในรูปหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักพิจารณาเห็นความดับในรูปหายใจออกเห็นโทษในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณในจักสุในชะลาและมรณะแล้ว เป็นผูกเกิดจันทะในความดับในชราและมรณะน้อมใจไปด้วยศรัทธาและมีจิตตั้งมั่นดีย่อมศึกษาว่าเราจักพิจารณาเห็นความดับในชราและมรณะหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าเราจักพิจารณาเห็นความดับในชราและมรณะหายใจออกข้อ419หน้า274 โทษในอวิชาย่อมมีด้วยอาการเท่าไรอวิชาย่อมดับด้วยอาการเท่าไรโทษในอวิชาย่อมมีด้วยอาการ5อวิชาย่อมดับด้วยอาการ8โทษในอวิชาย่อมมีด้วยอาการ5อะไรบ้างโทษในอวิชาย่อมมีด้วยอัดว่าไม่เที่ยง1ด้วยอัดว่าเป็นทุกหนึด้วยอัดว่า เป็นอนัตตาหนึ่งอันอดว่าเป็นเหตุให้เดรร้อน1เลือดว่าแปรปรวนไปหนึ่งโทษในอวิชชาย่อมมีด้วยอาการ5เหล่านี้อวิชชาย่อมดับไปด้วยอาการ8อะไรบ้างอาวิชชาย่อมดับด้วยนิทานดับ1ด้วยสมุทัยดับ1ด้วยชาติดับ1ด้วยอาหารดับ 1ด้วยเหตุดับ1ด้วยปัจจัยดับ1ด้วยยานเกิดขึ้น1ด้วยนิโรธปรากฏ1อวิชาย่อมดับด้วยอาการ8เหล่านี้บุคคลเห็นโทษในอวิชาด้วยอาการ5เหล่านี้แล้วเป็นผู้เกิดจันทะในความดับแห่งอวิชาด้วยอาการ8เหล่านี้ น้อมใจไปด้วยศรัทธาและมีจิตตั้งมั่นดีย่อมศึกษาว่าเราจักพิจารณาเห็นความดับแห่งอวิชชาหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าเราจักพิจารณาเห็นความดับแห่งอวิชชาหายใจออกข้อ420หน้า275โทษในสังขารย่อมมีด้วยอาการเท่าไร สังขารย่อมดับด้วยอาการเท่าไรโทษในวิญญาณย่อมมีด้วยอาการเท่าไรวิญญาณย่อมดับด้วยอาการเท่าไรโทษในนามรูปย่อมมีด้วยอาการเท่าไรนามรูปย่อมดับด้วยอาการเท่าไรโทษในสลายตนะย่อมมีด้วยอาการเท่าไร สลายยตนะย่อมดับด้วยาการเท่าไรโทษในปัสสะย่อมมีด้วยอาการเท่าไรปัสสะย่อมดับด้วยาการเท่าไรโทษในเวทนาย่อมมีด้วยอาการเท่าไรเวทนาย่อมดับด้วยอาการเท่าไรโทษในตัณหาย่อมมีด้วยอาการเท่าไรตัณหาย่มยอาายมดับด้วยอาการเท่าไรโทษในอุปาทาน ย่อมมีด้วยอาการเท่าไรอุปาทานย่อมดับด้วยอาการเท่าไรโทษในภพย่อมมีด้วยอาการเท่าไรภพย่อมดับด้วยการเท่าไรโทษในชาติย่อมมีด้วยอาการเท่าไรชาติย่อมดับด้วยการเท่าไรโทษในชะลาและมรณะย่อมมีด้วยอาการเท่าไรชรลาและมรณะย่อมดับด้วยการเท่าไร โ, Yin, โทษในชะลาและมรณนะย่อมมีด้วยอาการห้าชะลาและมรณนะย่อมดับด้วยอาการ8โทษในชะลาและมรณนะย่อมมีด้วยอาการห้าอะไรบ้างโทษในชะลาและมรณนะย่อมมีด้วยอัดว่าไม่เที่ยงหนึ่งด้วยอัดว่าเป็นทุกหนึ่ง้วยอดว่าเป็นอนัตตาหนึ่งเดือดว่า เป็นเหตุให้เดือดร้อน1ด้วยเลืว่าแปรปวนไป1โทษในชรลาและมรณะย่อมมีด้วยอาการหเหล่านี้ชรลาและมรณะย่อมดับด้วยอาการ8อะไรบ้างชรลาและมรณะย่อมดับด้วยนิทานดับ1ด้วยสมุทัยดับ1ด้วยชาติดับ1ด้วยพบดับหนึ่ง ด้วยเหตุดับ1ด้วยปัจจัยดับ1ด้วยยานเกิดขึ้น1ด้วยนิโรธปรากฏ1ชลาและมรณะย่อมดับด้วยอาการ8เหล่านี้บุคคลเห็นโทษในชลาและมรณะด้วยาการห้าเหล่านี้แล้วเป็นผู้เกิดจันทะในความดับแห่งชลาและมรณะด้วยาการ8เหล่านี้น้อมใจไปด้วยศรัทธา และเิจิตตั้งมั่นดีย่อมศึกษาว่าเราจากพิจารณาเห็นความดับในชะ า, าและมรณะหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าเราจากพิจารณาเห็นความดับในชะ า, าและมรณะหายใจออกตาำทั้งหลายด้วยสามารถเป็นผู้พิจารณาเห็นความดับหายใจเข้าหายใจออกปรากฏสติเป็นอนุปจนายานาำทั้งหลายปรากฏ ไม่ใช่สติสติปรากฏด้วยเป็นตัวระลึกด้วยบุคคลพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นด้วยสตินั้นด้วยญาณ น, นั้นดังนี้ประเตุนั้นท่านญิงกล่าวว่าสติปฐานภาวนาคือการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคําว่าพิจารณาความว่าพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นอย่างไร พิจนาเห็นธรรมเหล่านั้นอย่างนี้คำว่าภาวนาได้แก่ภาวนาสชื่อว่าภาวนาด้วยอว่าเป็นที่ซ่องเสพชื่อว่าศิลวิสุทธิด้วยสามารถเป็นผู้พิจารณาเห็นความดับสํารวมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อรู้ความทีจิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถเป็นผู้พิจารณาเห็นความดับหายใจเข้าหายใจออก บุคคลเมื่อรู้ย่อมยำอินทรีย์ทั้งหลายให้ประชุมลงประเหตุนั้นท่านยังกล่าวว่าและแทงตลอดทำแอนเป็นประโยชน์คือความสงบข้อสี่ร้อยยี่สิเอ็ดหน้าสอง็บหบุคคลย่อมสำเหนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นความสลละคืนหายใจเข้าย่อมสำเหนียกว่า เราจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกอย่างไรคําว่าความสละคืนได้แก่ความสละคืนสองอย่างคือความสละคืนด้วยการบริจาค1ความสละคืนด้วยความแล่นไป1จิตสละละรูปเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าความสละคืนด้วยการบริจาคจิตแล่นไปในนิพานอันเป็นที่ดับรูป เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าความสลากคืนด้วยการแล่นไปบุคคลย่อมศึกษาว่าเราจากพิจารณาเห็นความสลากคืนในรูปหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าเราจากพิจารณาความเห็นตลากคืนในรูปหายใจออกจิตละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ จากสุจลาและมรณะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าความสละดคืนด้วยการบริจาคจิตแล่นไปในนิพานอันเป็นที่ดับฉลาและมรณะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าความสละดคืนด้วยการแล่นไปบุคคลย่อมศึกษาว่าเราจากพิจารณาเห็นความสละดคืนในฉลาและมรณะหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าเราจักพิจารณาเห็นความสละคืนในชราและมรณะหายใจออกทำทั้งหลายด้วยสามารถเป็นผู้พิจารณาความสละคืนหายใจเข้าหายใจออกปรากฏสติเป็นอนุปัจจนายานทำทั้งหลายปรากฏไม่ใช่สติสติปรากฏด้วยเป็นตัวระลึกด้วยบุคคล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 ย่อมสลากคืนไม่ถือมัน่นเมื่อพิจารณาเห็นโดยความไม่เที่ยงย่อมละนิจจะสัญญาได้เมื่อสลากคืนย่อมละความถือมั่นได้พิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นอย่างนี้คำว่าภาวนาได้แก่ภาวนาสี่คือชื่อว่าภาวนาด้วยอธว่ายธรรมรังสายอันเกิดในภาวนานั้นไม่ล่วงเกินกัน ชื่อว่าภาวนาด้วยอดว่าไปที่ซ่องเสพชื่อว่าศีลวิสุทธิด้วยอดว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นความสลัดทิ้งสำรวมหายใจเข้าหายใจออกชื่อว่าจิตตะ ว, วิสุทธิด้วยอดว่าไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิด้วยอดว่าเห็นความสำรวมในศีลวิจุธินั้นเป็นอธิ ศ, ศ, ศ, ศีลสิกขาความไม่ฟุ้งซ่านในจิตตะ ว, วิสุทธินั้นเป็นอธิจิตตะสิกขา ความเห็นในทิฏฐิวิจุตที่นั้นเป็นนันที่ปัญญาศึกษาบุคคลเมื่อคำนึงถึงศึกษาสมประการนี้ชื่อว่าศึกษาเมื่อรู้ว่าเมื่อรู้ชื่อว่าย่อมศึกษาเมื่อทําให้แจ้งซึ่งทำที่ควรทําให้แจ้งชื่อว่าย่อมศึกษาเมื่อรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถเป็นผู้พิจารณาความสละคืนหายใจเข้าหายใจออก เวทนาปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปเมื่อรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถเป็นผู้พิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าหายใจออกบุคคลเมื่อรู้ย่อมยังอินทรีย์ทั้งหลายให้ประชุมลงรู้จักโคจรและแทงตลอดทำอันเป็นประโยชน์คือความสงบ ยอย่างพราทัทั้งหลายให้ประชุมลงอย่างโพชงทั้งหลายให ended, ้ประชุมลงอย่างม sure. ักให้ประชุมลงอย่างทมทั้งหลายให้ประชุมลงรู้จักโคจรและแทงตลอดทำอันเป็นประโยชน์คือความสงบคำว่าย่อมยังอินทรีย์ทั้งหลายให้ประชุมลงความว่าย่อมยังอินทรีย์ทั้งหลายให้ประชุมลงอย่างไร คือย่อมย่างสัจตินีด้วยอัดว่าน้อมใจเชื่อให้ประชุมลงเพราะเหตุนั้นท่านยิงกล่าวว่าและแทงตลอดธรรมอันเป็นประโยชน์คือความสงบอนุปัสนาญาณ8อุปัฏฐานานุจติ8ปจุดตันติกาวัตถุในการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย4ยญาณในธรรมเครื่องธรรมสติสาิสอง เหล่านี้จบสโตกาลิยานิเทศที่ห